ตอนที่62โจเจี้ยนเย่ต้องการชดเชยให้เธอโอ้โหพี่ในห้องพี่ทำไมมีกลิ่นหอมขนาดนี้หอมจังเลยครับเช้าวันต่อมาทางโรงเรียนแจ้งหยุดกระทันหันเจิงเซาเหงิงเพิ่งกลับจากโรงเรียนมาถึงห้องก็เห็นเจิงเซาสิงหมอบอยู่บนเตียงของเขาแล้วดมฟุตฟิตไปมาเหมือนลูกหมาถ้าแกกล้าเอานมูกมาเช็ดโดนผ้าหม่มฉลากก็ระวังจะโดนหมั เจ้งเศราเฮิงู่เสียงเย็นจากนั้นก็หยิบกระดาษข้อสอบออกจากกระเป๋านักเรียน ม, มาเริ่มทำโจทย์เจ้งเศร้าสิงยิงคงดมฟุตฟิตอยู่บนผ้าห่มเขาแยกไม่ออกว่ากลิ่นมาจากไหนพอได้แล้วเจ้งเศร้าเหิงเห็นว่าเขาไม่มีทีท่าจะไปเสียทีจึงส่งเสียงจิอย่างรำคาญเครื่องนอนบ้านเราก็เหมือนกันหมดของฉันจะมีกลิ่นอะไรพิเศษเครื่องนอนในบ้านล้วนเป็นฝีมือคุณย่าทำปลอกหมอนผ้าปูเตียงคุณย่าก็เป็นคนซักผงซักฟอกที่ใช้ก็ยี่ห้อเดียวกันที่ครับเตียงที่หอมจริงๆนะ เจ้างเศร้าสิ่งมั่นใจว่าตนเองโดมไม่ผิดเจ้งเศร้าเหงิงไม่ขึ้นได้กระทันหันอาจจะเป็นกลิ่นทูบสงบจิตที่หลีหวานให้มาทูบสงบจิตเมื่อเช้านี้ยังไม่ไมหมดในห้องจึงยังมีกลิ่นหอมจางๆของดอกสาลี่อโววนอยู่จนกลิ่นติดไปถึงเครื่องนอนทูบสงบจิตเอาไว้ทําอะไรเหรอครับเจ้างเศร้าสิ่งมีคําถามไม่จบไม่สิ้นจนเจ้งเศร้าเหิงเริ่มราคาญจริงๆแล้วทูบสงมจิตก็คือเอาไว้สงบจิตใจรักษาอาการนอนไม่หลับง่ายอ้ออผมใช้ได้ไหมครับ เจิงเศร้าซิงแค่รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมดีแกก็นอนหลับปุ๋ยอยู่แล้วจะใช้ไปทำไมเจิงเศร้าเหิงไม่อยากเสียเวลากับเขาจึงพูดอย่างรำคาญว่ารีบไปเลยฉันจะทำข้อสอบอย่ามากวนแถวนี้เจิงเศร้าซิงทำเสียงอ้อย่างไม่เต็มใจนักแต่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อพี่ชายไม่ยอมให้งั้นก็ไปขอจากน้องสาวก็ได้ที่นั่นต้องมีเพียบแน่นอนคิดได้ดังนั้นเจิงเศร้าซิงก็รีบวิ่งออกไปเสียวหวานน้องรัก เจ้างเศร้าเหิงได้ยินเสียงตะโกนของเจ้งเศร้าสิงก็ขมวดคิ้วมุ่นด้วยความรำคาญเจ้านี้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆน้องรักน้องให้ทุ่สงบจิตกับพี่ใหญ่แล้วให้พี่ด้วยได้ไหมพี่ดมแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยหลิหวันตื่นนอนทานอาหารเช้าเสร็จก็กำลังทำทุ่สงบจิตอยู่ในห้องพอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวก็รีบเก็บของส่วนเกินเข้ามิติทันทีแล้วจึงเปิดประตูให้เจ้างเศร้าสิงขนาดฟ้าร้องพี่ยังไม่ตื่นเลยจะเอาทู่สงบจิตไปทำไมคะ ลิวันรู้สึกพูดไม่ออกเขาเป็นเด็กประเภทที่เห็นคนอื่นมีอะไรก็อยากมีบ้างจริงๆมันก็แค่กลิ่นดอกสาลี่ธรรมดาวันหลังที่ไปซื้อสบู่มาใช้กลิ่นก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะที่จะไปหาซื้อสบู่กลิ่นดอกสาลี่ได้ที่ไหนละ่ะเจ้งเศร้าสิงเกะหัวให้พี่สักดอกจะเป็นไรไปน้องสาวคนดีพี่รู้ว่าน้องจะดีที่สุดเอาอย่างนี้มื้อเที่ยงพี่จะพาน้องไปกินเสี่ยวหลงเป้าร้านที่น้องชอบที่สุดเป็นไงข้อเสนอที่เจ้งเศร้าสิงหยิบยื่นมานั้นทําให้หลิวันรู้สึกวั่นไหวอ ย, อยู่ไม่น้อย แต่ทูกสงบจิตนั้นให้ไม่ได้ที่รออีกหน่อยเถอคะค่ะอีกสองวันฉันจะทำเครื่องหอมที่ไม่ใช่ทูกสงบจิตให้เป็นกลิ่นดอกสาลี่จางๆเหมือนกันตกลงพี่รู้ว่าน้องสาวพี่ดีที่สุดไปกันเถอะเราไปกินเสี่ยวหลงเป้ากันเดี๋ยวนี้เลยพี่จะสั่งให้สองเข่งเลยไปคะ่ะในห้องเจิ้งเศร้าเหิงมองตามแผ่นหลังของทั้งสองคนที่วิ่งออกไป ในที่สุดหูก็สงบเสียทีแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอย่างบอกไม่ถูกทุกสงบจิตนี่ไม่ได้มีแค่เขากับคุณย่าหรอกหรือที่มีเจ้งเศร้าสิ้นใจป้ามากหลีหวันกินเสี่ยวหลงเป้าไปเต็มเตมเข่งเขาก็ทานไปสเข่งเช่นกันทั้งคู่ทานจนอิ่มแปรแถมยังสั่งซุปเครื่อนในแพะใหมคนละชามหลีหวันอิ่มจนแทบนั่งไม่ติดหอมจริงๆเธอลุกขึ้นยืนถึงรู้สึกสบายตัวขึ้นหน่อยจ่ายเงินค่ะได้เลยเจ้งเศร้าสิ้นควักเงินจ่ายอย่างคล่องแคล่วเอ๊ะ น้องอย่าลืมของที่รับปากพี่นะวางใจเถอข้าไม่ลืมแน่นอนหลีวันยกมุมปากยิ้มรับรองว่าเร็วที่สุดเชื่อมือเลยเจ้างเศร้าสิงหัวเราอแห่ๆเดินตามหลังหลีวันกลับบ้านอย่างกระตือรือร้นราวกับเป็นลูกสมุนนี่น้องเอาแต่ อ, อู้อยู่ในห้องทั้งวันไม่เบื่อหรอทําไมไม่ยอมออกไปเล่นกับพี่บ้างละ่ะถ้าน้องไม่ชอบเล่นกับคนอื่นแค่เราสองคนก็ได้นะเจ้งเศร้าสิงเห็นว่าเธอเก็บตัวเกินไปอยู่ในห้องมันมีอะไรดีนักหนา ไรสาระคะหี่หวานตอบส่งส่งอยู่กับพวกพี่นั่นแหละถึงจะน่าเบื่อของจริงจะเป็นไปได้ยังไงเจิงเซ้าสิงขมวดคิ้วอย่างสงสัยเขาจะน่าเบื่อกว่าพี่ใหญ่ได้ยังไงเสี่ยวหวานนป้อมยามหน้าเขตบ้านพักหลีหวานชะ ง, งักฝีเท้ากระทันหันโจวเจี้ยนเย่ยดูเหมือนจะรอยอยู่นานแล้วเขารียก้าเท้าตรงมาหาหลีหวนันเสี่ยวหวันพวกลูกออกไปเที่ยวเล่นกันมเหรอคุณจะทําอะไร เจิ้งเซาสิงรีบกางปีกขวางหน้าหลี่หวานทันที2อมือเท้าสเสอจ้องโจเจี้เย่ยตาเขม็งเขารู้ว่าคนเลวคนนี้คือพ่อแท้ๆของหลี่หว่านที่เคยรังแกสองแม่ลูกตอนนี้มาหาหลี่หวานต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เซาสิงฉันมีธุระจะคุยกับลูกสาวฉันรบกวนเธอหลีกทางหน่อยน้ำเสียงของโจจี้เยี่ยเย็นชาลงเล็กน้อยจเจิ้งเซาสิงจะขวางหน้าลูกสาวเขาก็ไม่เป็นไรแต่พอเห็นหน้าเจ้านี้เขาก็อดนึกถึงเจิ้งอวิ๋นชงไม่ได้นึกถึงว่าตอนนี้ทั้งหลี่ชิงถิงและหลี่หวานต่างก็เป็นของหมอนั่นไปแล้ว คุณมีอะไรก็พูดตรงนี้แหละข้าเหมือนกันนั่นแหละหลีหวานเร่งเร้าวด้วยน้ำเสียงรำคาญโจเจี้นเย่มาหาเธอจะมีเรื่องดีอะไรได้โจเจี้นเย่ดูเหมือนไม่ได้มาหาเรื่องแต่เขาก็ไม่มีเรื่องดีจริงๆแถมยังเรียกเธอว่าลูกสาวเต็มปากเต็มคำจนขนลุกไปหมดลูกสาวแท้ๆของเขาตายไปนานแล้วหลีหว่านไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่ามาทำเป็นตีสนิทเสียวหว่านไม่ว่ายังไงฉันก็เป็นพ่อของแกแกเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอ โจจี้นเยี่ยอนหายใจยาวลูกกระเดือกขยับขึ้นลงฉันรู้หลายปีมานี้ทําให้พวกแกแม่ลูกต้องลําบากแต่แม่ของแกเองก็มีส่วนผิดทำไมเธอไม่รีบบอกฉันว่าพวกแกต้องเจออะไรบ้างเธอไม่แม้แต่จะให้โอกาสฉันได้อธิบายด้วยซ้ํากลับพาแกหนีไปอย่า ก, กับฉันแล้วไปแต่งงานกับเจ้างวินชงหาพ่อเลี้ยงให้แกหน้าตาเฉยหลหว่านฟังแล้วพอจะสรุปสถานการณ์ได้สรุปคือโจเจี้นเ ย, ย่รู้ความจริงแล้วสินะ ผู้ชายที่ติดแม่เป็นตังเมยอย่างเขาจะคิดได้นี่ไม่ง่ายเลยจริงๆหลหวานแค่นหัวเราะเยาะพ่อของฉันดีกับเรามากค่ะและตอนนั้นแม่ก็เคยบอกคุณแล้วแต่คุณไม่เคยฟังอะไรเลยเชื่อแต่แม่ของคุณอย่างเดียวตอนนี้มารู้ตัวว่าผิดไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยเหรอโจเจเี้ยเห็นลูกสาวทำตัวห่างเหินขนาดนี้ในใจก็รู้สึกไม่เป็นสุขนักเสียววานตอนนี้ฉันไม่หวังให้แกเรียกฉันว่าพ่อหรอก ขอแค่แกอย่าใช้เสียงแบบนี้พูดกับฉันก็พอฉันเองก็จ่ายค่าเลี้ยงดูนะถือว่าได้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วความหมายของโจเจียนเยี่ยคือในเมื่อจ่ายค่าเลี้ยงดูเขาก็คือพ่อของหลี่หวานดังนั้นตอนนี้คุณจะให้ฉันคืนค่าเลี้ยงดูทั้งหมดให้คุณงั้นเหรอคะไม่เงินที่คุณจ่ายมานะั้ไม่ใช่ค่าเลี้ยงดูสำหรับฉันในอนาคตหรอก แต่มันคือค่าชดเชยความลำบากที่ฉันกับแม่ต้องเจอตอนอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นค่าชดเชยทางจิตใจต่างหากหลีหวันพูดเสียงเฉียบขาดตอนนี้พวกเรามีความสุขดีคุณยินจะโผล่มาพูดเรื่องไร้าสาระพวกนี้อีกคุณต้องการจะทำลายชีวิตที่สงบสุขของพวกเราเหรือคะเปล่าฉันไม่เคยคิดจะรบกวนพวกแกเลยตอนนี้ฉันเองก็มีชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วฉันแค่แค่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยให้พวกแกโจวเจีย้ยนเย่อาปากค้างพยายามกลืนน้ำลายที่เหนียวหนือแม่ของแกฉันคงชดเชยให้ไม่ได้แล้ว คนที่ฉันอยากจะชดเชยให้ก็คือแก